วิธีลงนิยสกรรมและกรรมวาจาสงพึงลงนิยสกรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจทย์ภิกษุเสยสะกะครันแล้วให้เธอให้การแล้วปรับอาบัติครันปรับอาบัติแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุถกรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุเสยสกะนี้โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้อยู่คลุกคลีกับขรือหัดด้วยการคลุกคลีกับขรือหัดที่ไม่สมควรทั้งทั้งที่พวกปกตัตะภิกษุก็ให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดและอับพานอยู่ ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุใสยสกะโดยสั่งให้กลับไปถือนิสัยใหม่นี่เป็นยัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุใสยสกะนี้โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้อยู่คลุกคลีกับคฤหัต ด้วยการคลุกคลีกับกฤะรือหัดที่ไม่สมควรทั้งๆ ท, ที่พวกปกตะตะภิกษุก็ให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดและอับพานอยู่สงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุไสยสกะโดยสั่งให้กลับไปถือนิสัยใหม่ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงนิยสกรรมแก่ภิกษุไสยสกะโดยสั่งให้กลับไปถือนิสัยใหม่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 ต้องอาบัตกำหนดไม่ได้อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควรทั้งทั้งที่พวกปกตตะภิกษุก็ให้ปริวาชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดและอภานอยู่สงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุใสยสกรรัโดยสั่งให้กลับไปถือนิสัยใหม่ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงนิยสกรรม แกภิกษุไสยสกัดโดยสั่งให้กลับไปถือนิสัยใหม่ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงนิยสกรรมสงลงแล้วแก่ภิกษุไสยสกัดโดยสั่งให้กลับไปถือนิสัยใหม่สงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้